วัตถุกดีในทางสังคมก็ดีงพระคนี่ช่วยแนะนำกันในโอกาสต่อไปอันนี้เหมือนกับว่าเรามาในสายธรรมเดียวกันเนี่ยก็โน้ตแดกกันเหมือนเหมือนพี่มันน้องอะนะแล้วก <c oughs> ็การที่เราจะเดินทางมาพบ ก, กันอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดา <c oughs> เป็นเรื่องเรื่องแต่และคนต้องมีอะไรที่ดีมามาก่อน <c oughs> เราถึงได้มาพบกันมาโดยธรรมชาตสันว่างันเถอะ ไมไ่ว่าเราจัดคอร์ดเป็นลักษณะบิสเนสหรือเป็นลักษณะธุรกิจที่เขาทากันโดยทั่วไปด้วยธรมกระแสแต่เป็นการมาด้วยใจที่เราต้องการมาศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เรายังคล่องคาใจและถ้าเราสามารถปลดเปื้องไอ้ข้อสงสัยของเราได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์มหาศาลซึ่งได้บอกแล้วว่ารัตเป็นไปสามารถปลดเปื้องได้ตลอดเวลา ได้สร้างสิ่งที่ดีมาแล้วมันทาเป็นเหตุให้มาพบกันเมื่อพบกันแล้วมันก็จะต้องดูแลซึ่งกันและกันตามที่บุญกุศลของเราสัมพันธ์กันนะเพราะฉะนั้นในการพบกันของพวกเราความหมายว่ามาพบญาติพี่น้องซึ่งอาจจะเคยเป็นญาติกันและพบหลายชาติแล้วนะบุญสัมพันธ์ก็พามาเจอกันก็ต้องเขาต้องช่วยดูแลกันเราไม่ถือว่าเป็นการผูกพันหรือเป็นพันธะกรณี แต่ว่าเป็นการาเขาเรียกใช้คําว่ายาตถจริยาการประพฤติกันต่อกันในฐานะเป็น ญ, ญาตาิสายธรรมเราแบ่งปันสิ่งที่ดีๆกันมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นญาติธรรมซึ่งเป็นญาติยิ่งกว่าญาติสายโรหิตญาติสาโรหิตนี่บางครั้งเราก็ทะเลาะบาะแว้งกันด้วยเรื่องผลประโยชน์ทางวัตถุ แต่ญาติธรรมนี่เราไม่มีผลประโยชน์ทางวัตถุเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เรามีผลประโยชน์ทางธรรมเกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่เป็นการดับทุกและแก้ปัญหาโดยเฉพาะนะอันนี้ก็ประลุให้ฟังว่าการดูแลรักษาร่างกายควรจะเป็นาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่เอาหน้าที่นี้เป็นมอบให้หมอพยาบาลคือในบ้านปลายของชีวิตแต่ละคนไม่อยากให้ไป นอนแช่อยู่โรงพยาบาลแล้วถึงเวลาเขาก็มาตรวจมาบอก น, อนั่นบอกนี่ทุกคแนะนอนร อ, นอความตายเนี่ยมันมันไม่น่าดูนะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาเราสามารถขวนขวายดูแลรักษาตัวเองได้โดยวิธีนั้นวิธีนี้เนี่ยมันเป็นความภูมิใจว่าเราดูแลเราได้เราพึ่งตัวเองได้ว่าปฏิบัติธรมรมธรรมะช่วยเราจริงๆคือธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม หมายควาผู้กระพฤตธรรมต้องรักษาตัวเองได้ไม่ใช่หมอให้ยามรักษาโดยไม่จําเป็นแต่เราก็ไม่ปฏิเสธนะแต่เพียงแต่ ว, ว่าใช้ให้จําเท่าที่จําเป็นและน้อยที่สุดแต่เราจะต้องมีส่วนดูแลรักษาตัวเองเพราะว่าเหตุปัจจัยของการเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยเราเป็นผู้สร้างมาเองหมอพยาบาลไม่มีส่วนที่มาช่วยเราสร้างสิ่งเหล่านี้นะดังนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทํา กรรมที่เราสร้างด้วยการดูแลตัวเองสูดความสามารถว่าเถออิดวิธีใดที่จะทำให้เกิดความการรักษาอยู่ยาตัวเอง ก, ก็ทำที่ต้นเหตุไม่ใช่รอให้มันเป็นเสียก่อนแล้วไปแก่เหมือนแก้วความง่วงเป็นโรคชนิดหนึ่งถ้าเรารอให้ความง่วงมันเกิดแล้วไปแก้มันแก้ยาก แต่เราจะต้องรู้สัญญาณมันว่าไอ้สัญญาณที่จะทําให้เกิดตัวงูมาเนี่ยสัญญาณมันคืออะไรต้องไปอ่านสัญญาณตรงนั้นให้ออกถ้าเราอ่านสัญญาณตรงนั้นออกปั๊บเราก็ถอดสลักตรงนั้นได้มันก็ไม่เกิดไม่เกิดระเบิดขึ้นมาใส่เรานั้นกิเลสทุกตัวเนี่ยมันก่อนที่มันจะปรากฏตัวเนี่ยมันจะต้องส่งสัญญาณให้เรารู้ก่อน เพราะว่ากิเลสแต่และตัวเนี่ยมันมีความเป็นนักเลงในตัวมันมันไม่ช่ักษณะจูโจมแบบอันตรพันนะแต่มันส่งสัญญาณแต่เราจะอ่านสัญญาณมันออกหรือเปล่าสัญญาณเตือนน่ะตัวนี้เองเราจะต้องเรียนรู้ว่ากิเลสตัวนี้มีส่งสัญญาณว่าอย่างนี้อย่างนี้ต้องอ่านฝึกอ่านสัญญาณของอุศนและอกุศลให้ออกก็คือการเฝ้าดูตัวเองนั่นเองนะ ฟ่ดูตัวเองเช่นเราเดินไปเนี่ยถ้าเราเดินขึ้นเขาเราเราก็รู้ล่วงหน้าเลยว่าขึ้นเขาเนี่ยต้องเหนื่อยต้องปวดแข้งปวดขาต้องหนักเพราะมันมีสัญญาณเตือนทีละ น, นิดเราก็เริ่มเตรียมตัวแล้วว่าเราจะเดินขึ้นเขาโดยไม่หนักไม่เหนื่อยเหงื่อไม่ออกได้อย่างไรมันก็เริ่มปรับขบวนการเดินนะนั้นเองในะจุดนี้ก็อยากจะ ปลบเอาไว้เพื่อว่าเราจะเห็นคุณค่าขการปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นแล้วการสแสวงหาธรรมะหรือการสแสวงหาการเข้าถึงธรรมเนี่ยมันก็จะจริงจังตั้งใจไม่ทําไปผ่านๆไปโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ได้นะมันจะต้องเห็นคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราเห็นคุณค่าของเงินเรา มีวิธีคิดมีววีวางแผนหายอย่างทำไงจะให้หาเงินได้เยอะเนี่ยเรารู้สึกคิดกันทุกวิธีทางลงทุนด้วยทุกวิธีทางเพราะเราเห็นคุณค่าของเงินว่ามันจะตอบสนองความต้องการเราได้หลายอย่างนะแต่ธรรมะถ้าเราเห็นธรรมะหรือภู ม, มิธรรมภูมิปัญญาที่เราแสวงหามีค่า มือนเงินหรือยิ่งกว่าเงินเนี่ยเราก็จะหาวิธีหาอุบายเหมือนกับเราหาเงินนั่นแหละอ่าแต่ณวันนี้เนี่ยเรายังไม่ชัดเจนว่าอ่าผลการปฏิบัติที่เราปฏิบัติเนี่ยมันสามารถตอบสนองเราความต้องการของเราด้วยวิธีใดบ้างนะ <c oughs> ซึ่งถ้าหากว่าเราทําเพียงเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยหรือไม่นานเนี่ยเราอาจจะมองยังไม่เห็นนะ <c oughs> เราทําไปนานเข้านานเข้าโดยที่เราไม่ หยุดพักกลางทางเนี่ยเราก็จะเห็นไปเรื่อยๆเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งต้นมะม่วงเลยนะก่อนที่เราจะได้กินผลมันเนี่ยเราเริ่มได้กินใบอ่อนมันเราเริ่มได้ร่มมันเราเริ่มได้กินรูปอ่อนมันไปจะได้กินรูปสุกคือหมายคาได้ได้ใช้ผลประโยชน์มันในส่วนต่างๆไปเรื่อยๆ การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันกว่าเราจะได้บรู้ถึงความสงบสูงสุดแบบไม่เกิดข้อสงสัยเลยเนี่ยมันก็ได้รับผลความสุขสบายกายเพิ่มขึ้นทีละนิดเลนิดไปตามลําดับนะเราก็จะเห็นว่าเออสี่งนี้มันมีผลถ้าทําแค่นี้มันมีผลอย่างนี้ถ้าทํามากกว่านี้ผลมันจะต้องมากกว่านี้ก็เพิ่มขึ้นเราก็จะเริ่มการขวนขวายเริ่มวิธีการที่จะบําบัด ปัดเป่าอุปสรรคใดๆที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติมาเห็นหลายท่านนะมีความผลนขวยนะว่าแก้ไขพยายามแก้ไขบางคนที่ยังมีประสบการณ์น้อยอยู่ก็ก็ยังหาไม่เจอก็ต้องก็อย่าท้อนะพยายามทำไปเรื่อยๆ รายงานเริ่มจากด้านนี้นะไม่รู้ย้ายมาด้านนี้เปล่าเหมือนกลุ่มทีนี่คงไม่ย้ายนะย้ายก็ซ้ําตัวนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มจากทางนี้เริ่มจากคุณนิวก่อนคุนิวเอาไม่ได้เกี่ยวอารมณ์ก็ถือว่าเป็นงานรายการงานรายงานตัวก็วันนี้ก็เป็นวันที่สี่นะครับที่ปฏิบัติมาก็สองวันแรกที่ปฏิบัติมาเนี่ยผมยังหลงทางอยู่เลยครับอ คือก็เคยปฏิบัติมาก่อนแล้วแต่ว่าก็คือก็หลงๆเรื่อมหม่ว่าจุดเป้าหมายของเราคืออะไร mm hmm. ก็จนมาได้ฟังตอนกลาคืนนะครับที่ฟังเกี่ยวกับทางด้านติตใต้สํานนะครับค mm hmm. รับ ก, ก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเออเราก็เคยมันก็นิดขึ้นได้ว่าคือไอ้การรู้สึกตัวอย่างเงี้ยมัน mm hmm. คือรู้ไปเรื่อยๆจนแบบ ขุดขึ้นมาจนทําไปจนเกิดนิวรขึ้นมาออเกิดนิวรณก็ดูนิวรณมันหลังจากนี้เนี่ยเยวมันจะมีความคิดเข้ามาแล้วว่าจะด่าไปดูไปเรื่อยๆถ้าเกิดนิวรณตัวไหนขึ้นมาก็พยายามหาทางสาเหตุไห้หรือว่าจะแก้ยังไงก็พยายามแก้ออกมาเรื่อยๆระหว่างที่เราเจอมันเนี่ยมันก็มีนิวรณใหม่เข้ามาเรื่อยๆมีของเก่าของใหม่ปะปนกันก็พยายาม <Okay. S 1> เอ่อ รู้ให้แบบมันเกิดดับให้มากที่สุดไอ้ตัวคิดมีเยอะไหมตัวคิดตัวคิดก็มีไม่ค่อยเยอะครับแต่ก็มีอยู่ใชมันมีอยู่ปล่อยให้มันคิดไปหรือว่ามีวิธีแก้ไงมั่งมันก็มีหลายทางที่ผมเคยลองก็คือแบบก็คือลองแบบให้มันรู้สึกถึงความคิดนั้นพอรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะดับไปแล้วเราก็จะจับที่ตัวได้อีกหรือว่าเราจะปล่อยให้มันผ่านไปแล้วเราก็แต่เรายังจับที่ตัวอยู่ ก็จะเห็นความคิดมันวิ่งไปวิ่งไปมันเล่าเรื่องนี้เรื่องนี้ไปเลยบางครั้งเห็นนั่งซึนเฉยๆนั่นหมายถึงกําลังการศึกษาอะไรอยู่หรือเปล่าตอะนั้นกำลังมองแมงมุมอยู่ครับอย่างนั้นมันชันใหญ่ยังไงเลยเห็นมันกระโดดข้ามใบไม้ไปมางว้างมันกระโดดได้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วใดคติทําอะไรจากมันมึงก็เหมือนกับมันจะทําอะไรมันก็ต้อง ต้องมองให้ดีก่อนนะต้องคอยแบบเฝ้าระวังก่อนคนกา ร, ระยะปุ๊บแล้วพักมันก็ลกระโดดปุ๊บมาเลยสัญชาตญาณแล้วมันมีอความกระดักรู้ของมัน <c oughs> อันนี้ก็ไม่ทราบไรฮะเรียว่ามีการกระดักรู้มา ก, ก่อนแต่ความรู้ที่เป็นสัญชาตญาณบางครั้งก็ทําอะไรได้เหนือธรรมได้เร็วนะ อย่างกระรอกกระแตเนี่ยมาพยายามไปดูที่ไหนมันไม่เคยเห็นมันตกต้นไม้เลยนะเช่นก็สามวันช่วงวันนี้หนึ่งสองสามเนี่ยไอตัวง่วงอะจะเข้ามาเยอะครับอืแต่มาวันนี้ไม่ค่อยมีเลยครับอแล้วในการสู้กับความง่วงคู่เบรดที่เราเราที่สู้มาเนี่ย มันหายสักครั้งไหมหรือว่าปล่อยมันหาเองมันก็เหมือนกับมันจะหลุดไปสักพักนึงเราค่อยกลับมาใหม่ครับอ๋อแล้วก็หมดประมาณนั้นก็ว่าให้มันหมดให้มันจนม่วงจนหมดเต็มที่เลยแล้วก็ให้มันฟื้นมาตัวมาเองโดยที่ไม่ต้องแก้ครับก็หนักอยู่เหมือนกันนะ แต่ว่าความรู้สึกตัวที่เราพยายามทําความเข้าใจกันเนี่ยพอจะเข้าใจในะความหมายความรู้สึกตัวที่ ท, ที่ที่แท้จริงเลยยังว่าคําว่าความรู้สึกตัวที่ยิวเข้าใจเนี่ยเป็นยังไงจริงก็ยังไม่ชัดครับคือผมยังไม่แน่ใจว่าไอ้ที่สั่งอยู่ในหัวเนี่ยมันรู้สึกตัวถึงตัวแขนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนกันแบบ มันก็ไม่ใจมันคิดว่าแบบยกขึ้นนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเราบอกไปยกขึ้นแต่ถ้ามันไม่ยกขึ้นจะเป็นยังไงเลยฮะเครื่องแยกไม่ออกว่าไอ้นี่มันคืออะไรอืมคือตัวไหนก็แน่ที่มันตัวสั่งให้แขนยกขึ้นอะไรยเงี้ยแต่ความจริงแล้วอันนั้นเป็นเป็นความรู้สึกทางจิตแต่เบื้องต้นเนี่ยเราต้องการเรียนรู้ความรู้สึกทางกายก่อนที่เราเรียกว่าเวทนานะพวิทนาทางกายทั้งหมดเนี่ย เบื้องต้น <c oughs> ให้ให้จิตของเราได้เรียนรู้ความรู้ชนิดก่อนความรู้เกี่ยวกับทางกายเพราะมันชัดให้เรียนรู้ตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปจิตที่จะไปเรียนรู้อาการเขาจะมาเริ่มรู้ที่ที่กายที่มันเคลื่อนถ้าเราเคลื่อนเราจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งถ้าเราไม่เคลื่อนจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งความรู้สึกนีน้เราก็จะเริ่มชัดขึ้นนะนะ แต่ถ้าเราไปใช้จิตมากๆโดยที่เราไม่ได้รู้ความรู้ที่เกิดจากเวทนาหรือเกิดจากกายเนี่ยมันจะคือความสับสนได้นหน่อยนะะอันนั้นเขาเรียกว่าพยายามที่จะเอาจิตเข้าไปดูแต่ควาจริงจิตจิตเนี่ยมันตัวกลางมันทําหน้าที่ดูไม่ได้เป็นทําหน้าที่เป็นแสงสว่างเหมือนแสนไฟเนี่ยแต่หน้าที่ที่จะดูอะไรเป็นอะไรคือตัวดวงตาในาที่คือตัวปัญญา ดนนการฝึกฝนความรู้สึกอันเกิดจากกายก็ดเวทนาก็ดีเพื่อให้เกิดปัญญาแต่ว่าตัวจิตที่มารับรู้ด้วยเนี่ยมันเหมือนแสงสว่างเท่านั้นเองแต่วัตถุที่ปรากฏเช่นความเย็นร้อนอ่อนแข็งเขร่งตึงการเคลื่นลอนไหวข้อข้อมูก็เหมือนวัตถุที่ปรากฏที่เราจะต้องเอาเป็นนิมิตที่จต้องศึกษาให้เริ่มจากตัวนี้ไปก่อนนะ S <S ถ้าเราไปใช้จิตให้มันซับซ้อนขึ้นทั้งที่ททกําลังมันยังไม่พอเนี่ยมันก็ยังมันจะทําให้เราซับสนต้องต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้สมอว่าเรายกลุกขึ้นเนี่ยเรารู้สึกตรงนี้ให้ชัดก่อนว่าเราไม่ต้องไปคิดอะไรพาเราลุกขึ้นเราไม่ต้องเยังไงรุกขึ้นแล้วก็รู้สึกแค่ชัดว่าเออมันหนักยังไงมันเบาอ ย, อยัางไงสบายไม่สบายให้รู้พื้นผิวหนีไปก่อนให้ชํานาญก่อน พอจิตใจเราเริ่มมาจดจ่ออยู่นะความรู้สึกที่เป็นเวทนาปัจจุบานานันนั้นเข้านั้นเข้าป๊อปนะมันก็ค่อยพัฒนาเป็นปัญญาขึ้นมาเองนะอันนี้เราเราต้องเรียนรู้จากนี้ไปซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านเน้นว่าให้ดูจิต ด, ดูจิตซึ่งความจริงถ้าเราพูดถึงดู ก, กายมาหลายรูปแบบเราอาจจะไม่ใส่ใจเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอท่านไปพูดถึงเรื่องรู้จิตเนี่ยรู้สึกืน่าสนใจ ก็เลยไปใส่ใจแต่เรื่องนั้นพอไปทําเข้ามันก็เลยไม่ใช่แต่ว่าย้อนเวทีเอามาต้องเริ่มดูกายให้ชัดเสียก่อนเพื่อสร้างฐานทางด้านตัวปัญญาญานเนี่ยให้ให้เกิดความสฉนิชนาที่เกิดทักษะนะต่อไปมันก็จะไปรู้ของมันเองจิตก็จะรู้หน้าที่มันได้แค่ไหนมันสั่งได้แค่ไหนมันสั่งไม่ได้นะมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติเนี่ยมากจะอยากจะรู้อะไรเร็วๆ มากๆเนี่ยบางทีมันข้ามขั้นตอนนะก็ต้องมาค่อยทําไปนะมันก็อาศัยพัฒนาการเหมือนกับสื่ออื่นเหมือนกันนะบางครั้งเข้าใจนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยจําได้ตอนนาจงวันนั้นนะครับไม่เร็วไปก็ช้าไปอืมหลังมันลุกล่าเล่าเอามันลุกแล้วเหรออ๋อก่อนหน้าหรือหลังนั้นนะนะครับไหมก็แบบแบบเราจะลุกปุ๊บแต่มันก็ไม่ลุกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ เป็นตัวสัญญาอยู่เนาะมันไม่ทันกันครับต้องมาปรับค่อยตอบใกล้เข้าไปเรื่อยๆแต่พยายามรู้เขาว่ารู้เวทนาทุกเวทนานี้สัมผัสได้ตลอดใช่ไหมครับให้ใส่ใจตัวนี้แต้วถ้าจิตมาตั้งต้นที่ตัวนี้แล้วมันค่อยพัฒนาลงไปเองถ้าหากว่าเราลืมตัวนี้เราไม่ตั้งต้นที่ตัวนี้นะมันยากหน่อยเพราะเหมือนกับเราปลูกต้นไม้แต่ว่ารากยังไม่ลงดิน ถ้าเอารากลงดินก่อนมันก็ส่วนกว่ารากมันจะหาอาหารหาน้ําหาปุ๋ยของมันเองได้มันจะรู้สึกเติบโตถ้าว่าไปก็คือเราเพาะในถุงอ่ะมันจะโตไงมันก็จํากัดอยู่แค่ในถุงนั่นแหละมันโตไปกว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่าตัวสติที่เริ่มเรียนรู้จับใจกับเวทนานี้มันก็เหมือนการเพาะเมล็ดไม้ในถุงแต่พอมันโตขึ้นแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในถุงต่อไปไม่ได้ มันจะเอาไปลงดินเราจะต้องไปลงดินเหมือนกันพอสติที่มาตามรู้กายเข้าเวทนาชัดมากขึ้นมากขึ้นปั๊บน่ยมันก็จะเหมือนเบี้ยมันโตละมันก็จะเริ่มเข้าไปสู่อาณาจักรที่กว้างใหญ่ขึ้นคืออาณาจักรของจิตอาณาจักรของกายก็มีแค่กว้างสอกยาวนานขึเองเนาะแต่อาาจักรของจินมหาสาลเนี่ยนะเพราะนั้นก่อนที่จะไปลงโดูนั้นก็ต้องให้ชัดเจนตรงนี้ก่อนให้มันสติของเรามีรากสักนิดหนึ่นนะ ต่อไปมันก็จะไปปลูกในอาณาจักรของจิตได้ไม่ยากนักนะเราศึกษาต่อไปเลยนะครับอคุณฟิงว่าไงว่าันมาศึกษาตั่นี้ถึอเป็นคนใหม่นะรายงานตัวหน่อยอครับนัมศการครับเออก้อนที่สี่เหมือนกันนะฮะก็คือสำหรับในวันแรกและวันที่สองเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเจอปัญหาหนักพอสมควรกับเรื่องอาการง่วง แล้วก็อาการที่ติดมาจากการฝึกแบบเดิมซึ่งก็เป็นการอ่านเอานะฮะเช่นว่าการดูลมหรือว่าการพยายามมองจิตหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งก็วิธีที่พยายามแก้ก็คือช่างมาเลยก็คือถือว่าลืมลืมไปทั้งหมดสิ่งที่เคยอ่านมาทั้งหมดนะฮะแล้วก็มาเริ่มจากที่การขยับมือก็พบว่าปัญหาหนักที่สุดคือความง่วงในวันที่สองนะฮะก็คือแทบจะลุกละเปลี่ยนทางทุกสามนาทีแต่ก็ถือว่า แม้ว่ามันจะช่วยไม่ได้เต็มที่แต่ก็จัดการได้ภายในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านไปส่วนวันที่สามวันที่สี่ก็ไม่ได้เจอปัญหางวง่วงนะครับเดี๋ยวจะมาเจอเป็นปัญหาว่ามีความคิดเข้ามาแทรกแทนสมักกว่า อ, อไม่ได้มั่นใจเต็มร้อยครับแต่ว่าก็สิ่งที่พยายามดูก็คือดูการเคลื่อนจริงๆแล้วก็ดูเวทนาที่เกิดขึ้นครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่สังเกตว่ามักจะมองไม่ทันคือคือตอนเวทนาเกิดเนี่ย มันจะค่อนข้างฉับเพราะมันจะโผแว บ, บเข้ามาจะปวดอย่างรวดเร็วหรือว่าเวลาตอนรู้สึกดีลมพัดมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกสบายตัวอย่างรวดเร็วแต่พอต่อที่มันหายเนี่ยอันมีคือเป็นสิ่งที่ไม่เคยจัดทันเลยครับขึ้นมาลูยตัวทีก็ปุ๊บตุ๊บมันหายปวดไปแล้วแต่มันหายเย็นไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้เป็นตัวอุกรเย็นสบายบางครั้งบรรยากาศอับอ้าวเนี่ยความรู้สึกของเราต่อความรู้สึกสองประเภทเนี่ยมันมันมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้ดูมันเฉย ในวันแรกๆจะเป็นความชิดต่อซะเยอะแต่ว่าประมาณสักวันล่าสุดจะพอที่จะแบบพอเข้าใจแล้วว่ามันก็เย็นแค่ไอตรงแว บ, บตอนที่มันแตะตัวครับแต่ว่าจริงๆมันก็ถือว่าถ้าลองสังเกตดีๆมันก็มีเพิดคิดต่อไปอีกพักหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขือคิดก็ได้มันเลยทำให้ไม่รู้ามันหายไปตอนไหนนะฮะ อันนี้ผมไม่ไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็แค่อะไรแต่ควรู้สึกตัวที่เป็นรู้สึกกายกับอ่ารู้สึกในกายที่เรียกว่าเวทนาเนี่นะครับตัวนี้จับได้แต่ลอดเวลาไม่รู้ว่าลืมลืมบ้างหรือจับได้บ้างมัคนความรู้สึกที่เป็นเวทนาเย็นแล้วแข็ ง, ขงตึงที่มันมีอยู่เนี่ยบางครั้งก็เผลอบ้างครับบางครั้งก็คือบางบางทีก็สังเกตว่าเดินเดินไปอยู่ดีๆจับได้ว่าพอเหยียบปุ๊บก็มีการหนัก ยกขึ้นเบาเหยียบขึ้นแล้วก็เหยียบลงไปครั้งหนะักแต่พอเดินไปเดินมาปุ๊บมันจะรู้สึกเหมือนแค่ขาขยับไปเฉยๆเลยบางทีก็เหมือนกับข้ามไปสองสามก้าอะไรแบบนี้ครับแล้วก็พยายามกลับมาแล้วการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกทุกครั้งไงสัมสัมผัสหรือว่ารู้สึกได้ทุกครั้งไหมถ้าไม่เผลอคิดนะครับเฉพาะตอนที่ไม่เผลอคิดบางบางทีถ้าสังเกตว่าถ้ามันมีความคิดแทก็อาจจะแบบ อาจจะหายไปรวดทั้งหนึ่งเซตเลยหรือไม่ก็รอบเดินจงกรมแทบจะหายไปประมาณเก็อเกสิบเก้าเลยก็มีก็เบื้องต้นก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคือหมายความว่าเผลอๆดื้อๆไปเรื่อยๆก่อนจนกระทั่งว่าเรารู้วิธีการครับที่จะดึงกลับได้เร็วขึ้นนะถ้าความเผลอก็จะสั้นลงไปสั้นลงไปความรู้ตัวก็ชัดขึ้นความรู้สึกตัวชนิดที่เป็นเวทนากับกายเนี่ยมันเป็นพื้นฐาน ของความรู้สึกที่จะเป็นจิตและอารมณ์ต่อไปรั ะ, ะนั้นเราจะต้องปูรหรือตอกเสาเข็มของความรู้สึกนี้ให้ลึก เอาไว้เสมอครถึงแม้ว่ามันดูมันจะตื้นดูมันจะธรรมดามากเหมือนคนที่เขาสร้างตึกอ่ะเจ้าของตึกใจร้อนเนี่ยโอ้แม่หลายจุดมันจะขึ้นสักทีไม่แต่ดาวนั่นตอกนี่ไม่เห็นเสักทีนี่ยแต่อันนั้นหารู้ไม่อันนั้นตั ว, ต, วตัวสําคัญของมันมันจะสร้างตึดได้สวยได้กี่ชั้นก็ตามตัวสําคัญมันอยู่ที่ตรงนั้นเพราะนั้นการเอาใจใส่ให้ความสําคัญหรือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันเกิดจากเวทนาและการเคลื่อนไหวเนี่ยให้ชัดไว้เสมอแล้วตัวเนี้ยมันจะเป็นฐานที่ดี ของภูมิธรรมในขัน้นสูงขึ้นต่อไปครับจึงเราจะอมองข้ามไมาได้ครับนะยิ่งๆิ่งเราเห็นคุณธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งมากเท่าไหรเราก็ยิ่งให้ความสำคัญรือความรู้สึกตัวนี้ครับมากเท่านั้นเหมือนกันนะครับผมเอาใจใสมาหน่อย okay. สังเกตว่ามันจะเริ่มมีอาการแบบที่ว่ากระโดดเป็นต้ตอนสักประมาณหลัง4โมงเย็นเป็นต้นไปอะฮะตอนมันจะเริ่มแบบมี ในเก็บว่าชัดๆมาเรื่อยๆเราก็เริ่มเมออาแล้วคอแาวนี้มันจะเมอทีมากตอนหลังสี่โมงเย็นเป็นต้นไปอ่ะนี่วันนี้คือมาทำเอ็กเคด้วยใช่ไหมอ่าแต่ยกเว้นวันนี้แหละครับเพราะว่าวันนี้มาหาอยู่เอ็เอออยู่เวนั่นเอองั้นเนี่ยเก็ต้องหากิจกรรมอะไรี่เข้ามาเฉยๆเขาไมันจะเอมอน้อยหน <c oughs> ่อยครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเดินยาวไปหรือว่าอาจจะขยับมือแบบเพราะว่ามันไม่ง่วงแล้วก็เลยพยายามที่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนท่าอะไรอย่างนี้มาละเลยธรรมสการค่ะ เออมันไม่เวทนาไม่เยอะเท่าครั้งที่แล้วอะค่ะเวทนาทางกายไม่เยอะอ่าวันแรกก็วันแรกก็พอมีบ้างอะค่ะมีบ้างแต่ก็ประคองไปอ่ะค่ะแล้เที่ยก่อนที่คุณเข้ามาคุณลองเอาไปจับเรื่องเวทนาตลอดไหมแต่ช่วงที่ยังไม่ได้กลับเข้ามาดูพีชเนี่ย อ๋อหรือขิงไปเลยหนูคือคือหนูจะจะทำช่วงที่กลับไปแรกๆ ก, ก็จะทำจะทาตอนกลางคืนกับตอนเช้าอะค่ะก็จะได้วันละประมาณสิบสิบห้านาทีแต่พอห่างๆออกไปก็จะนอนแล้วก็ละลึกไปนอนอคะอ่ะช่วงที่ทำงานทำกิจกรรมต่างๆละลึกไม่ได้จะคล้ายๆกับมีสอง คุยกันอยู่ขัดแย้งกันอยู่อะค่ะ<ม>เอ๊จะทำอย่างนั้นดีไหมขณะขณะกาลังทางานขณะกำลังทำงานอยู่มันจะมีมันจะมีเหมือนเหมือ น, นมีสองคนคุยกัน<ม>ค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกก็คือติดดีมกัก ม, มังขาติดดีแล้วก็ อ่เอ๊ะทําอย่างนั้นมันไม่ดีทําอย่างนี้มันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดการต่อต้านคือขาดความเมตตากับตัวเองอะคะ่ะอืใช่ค่ะมันก็เลยเวทนาทะมันก็เลยออกสแสดงออกทางเวทนาทางกายะ ค, ะค่ะอือขัดแย้งใช่ใ<น>คือคือตอนนั้นมันไม่เห็นตัวเองมันอะมันคิดว่ามันคงหลงมั้งคะคิดว่ามันคงหลงหลงคิดว่าเห็น หลงคิดว่าอา๋อเราเรากําลังเห็นตัวเองนะก็คือในขณะที่กำลังคุยกับตัวเองอยู่นะก็คือเราเราเห็นตัวเองค่ะออราะว่าลักษณะจิตเป็นสองลักษณะอย่างเงี้ยในแง่ของจิติยาพฤติกรรมอะไรวมันมีสับอยู่นะครับเขาเรียกว่า ambivalent ก็เป็นความลังเลนี่นะครับความคิดมันกลับไปกลับมาเฉยๆไม่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษสุดเนี้ยมันก็คงเป็นความลังเลของใจที่มันยังไม่ค่อยมั่นคงครับ คือคือเรื่องได้ไหมเขะว่าขาดความมั่นใจในตัวเองขาดความศรัท ธ, ธาในตัวเองอันนี้ต้องกลับมาถามตัวเราแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะว่าคนอื่นก็คงไม่รู้อย่างที่บอกว่าเออเราไม่ใจเออเราไม่ไมเมตตาตัวเองแล้วมันทำให้เราลังเลยังไง <Okay. S 1> ตัวเรารู้มากที่สุดแหละ <M> หมอก็ไม่รู้ครับแตนี้ก็ต้องถามเาและเราก็ต้องสังเกตตัวเรา <c oughs> ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นได้อาการที่มัน เอ๊จะทําดีไม่ทําดีอันนี้เขาเรียกว่าหลังเลก็เขาเรียกแอนติวิเวเลนมันมีศัพท์ทางจิตวิยทยาอยู่ค่ะมักจะเกิดเวลาที่จะเอาสุขจะเอาทุกเดี๋ยวจะเอายังไงกันแน่อะไรอย่เงี้ยนะใจมันไม่มั่นคงนะครับจะเกิดจากไม่มั่นใจในตัวเองจะเกิดจากความอะไรก็ก็แล้วแต่คนศัพท์หนึ่งที่ท่านใช้ในธรรมบทท่า น, น, ท, านท่านใช้คําว่านามากาย ในตัวเรามันมีสองนามนะไม่ใช่ธรรมกายนะนาม ก, กายนาม ก, กายเขาบอกว่าจะทำอะไรให้ปรึกษากับ น, นาม ก, กายซะก่อนคือคือนาม ก, กายเป็นชื่อของตัวปัญญาที่เป็นญาณปัญญาเรียกนามกายแต่ว่า นามธรรมคือภาวะที่ทั่วๆไปตัวรู้ทั่วๆ ไ, ไ, ไปที่เป็นนามธรรมนะแต่ถ้าเป็นนามกายนี่หมายถึงตัวสภาวะที่เหมือนกับมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเวลาเราทําอะไรไม่เข้าท่าอะไรตัวนี้มันจะท่วงเสมอเ อ, อนั้นใช่อันนะี้อันนี้ไม่ใช่นะมันแค่เป็นทฤษีปรึกษาแต่บางครั้งจิตของเราที่จะไม่เห็นด้วยกับ น, นามกายมันแรงกว่า ก็กลายเป็นเรื่องของ conflict, คอนฟลิกต์คือการขัดแย้งขึ้นมาแต่ถ้าเราเชื่อ น, นามกายเนี่ยแล้วก็ทําตามที่เขาบอกเนี่ยบางครั้งมันก็มันไปฝืนความอยากของเราไปฝืนกิเลสของเราซึ่งนามกายเนี่ยมันก็จะเห็นว่าไม่ควรจะทําอย่างนั้นแต่ความอยากของเรามันมสูงกว่าบางทีเราก็ไม่ฟังนามะกายในที่สุดแล้วปฏิบัติไปขั้นสูงขึ้นไปนามกายเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นโลกุตระปัญญาเพรา ะ, ะนั้นต้องฟั ง, ขงเขาให้เยอะหน่อยนะ <_ d ans> ยังไม่ฝืนเขาเท่าไรนะแล้วก็ยอมยอมเขาเอตอนนี้เขาก็ยังอยู่ค่ะก ท, ทุกคนมีอยู่ตัวนีน้แต่เพียงต่อว่าจะจะจ ะ, จะปรานีปานีเมตตาเขามากขึ้นเมตตาเขามากขึ้นคื อ, อขณะที่ปฏิบัติหนูหนูจะเรียนรู้จากขณะที่ปฏิบัติเวลาที่ง่วงคือหนูจะไม่ใช้ความรุนแรงจะจะไมเ่เดินเร็ว หรือ S K T หนูก็จะแค่หายใจค่ะหายใจเข้า ต, ตามตามแนวทางของ S K T อะค่ะแล้วก็ก็จะประคองประคองเขาไปเรื่อยๆแล้วไอ้ไอ้นามมาไกลาตัวเนี้ยมันมันค่อนข้างเห็นแก่ตัวก็เลยม า, มารอบนี้ก็เลยอ่ะ เห็นกับตัวอันตัวที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่นามกายแล้วค่ะตัวเห็นแก่ตัวคือตัวกิเลสก็ตัวกิเลสกับนามกายนี่ยเขาจะเขาจะเป็นคู่ปรับกันออเขาเรียกว่าตัวสติกับตัวขาดสตินั่นเองตัวสติกับกิเลสถ้าว่าไปคือสติคือนามกายเบื้องต้นเขาเรียกว่าสตินี่แหละแต่ขั้นสูงขึ้นไปเขาเรียกนามกายแต่มันก็อไปจากตัวสตินี่แหละ เพราะนั้นคือจะบอกว่าเมตตาเขาไม่ถูกนะเขานั่งเมตตาเราแล้วว่าเราไม่เชื่อเขาเท่านั้นเองนะค่เอ อ, อก็พยายามทำให้เขาคอยใจนะแล้วก็ค่อยดีขึ้นเองคือคือคือคื อ, คอหนูก็บางครั้งก็ไม่แน่ใจคือหนูจะประคองไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อคือถ้ามันถ้ามันมีความง่วงอย่างอย่างวันเนี้ยง่วงง่ว ง, งหนักมากๆหนูก็ประคองเขาไปพยายามเปลี่ยนท่า พยายามเดินแ ต, แ, ตแต่แต่ไม่ใช่ว่ามันมันจะหายไปเลยแล้วก็กินข้าวก็กินปกติไม่กินน้อยไม่อะไรค่ะคือคือคือไม่ได้กลัวว่าง่วงจะมาเพราะว่ากินข้าวหนูก็เลี้ยงดูปูเสือเขาอย่างดี <c oughs> เลี้ยงไข่เลี้ยงกี่เ ล, ยเลียสติ <c oughs> หนูคิดว่าน่าจะกินเลล่เรียบร้อยเลยแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วอ่าช่วง <c oughs> หลังกินข้าวเที่ยงอะค่ะเขาเหนูก็ไม่รู้ว่าคือหนูยกมือไหว้โดยไม่รู้ตัวยกมือไหว้แล้วก็นึกขึ้นได้ไอ้ไหว้ใครค่ะไหว้ใครแล้วทีนี้มันมันก็ผ่านความง่วงมาได้แต่มันผ่านมาได้แค่ไม่ถึงสิบห้านาทีแล้วหนูอาจจะจำมาผิดก็ได้ถ้าสมมติว่าถ้า ถ้าถ้ามันผ่านตัวง่วงมาได้คือมันไม่รู้สึกหนักแล้วมันมันตรงนี้มันก็จะโลง่งก็พยายามอย่าไปติดมนันเออ ก, ก็ทาเล่นๆหนูก็ทำเล่นๆทั้งนั่งเปลี่ยนท่าค่อยๆประคองไปอะค่ะแล้วก็หนูก็เปลี่ยนเป็นเดินแล้วสักพักหนึ่งลมมันตีขึ้นนะคะหลวงพ่อตีในตัวก็มึนเลยค่ะมึน <laughs> ก็นั่งมึน คือเป็นอาการทางกายแล้วมันก็ส่งมาถึงอาการทางจิตก็เลยเหงาซึมก็ก็โชคดีที่หลวงพ่อเรียกให้ขึ้นมาทําเอสเคทีอะค่ะอ๋อมา อ, อ, มอยู่ตรงนั้นพอดีเนาะค่ะตอนตอนนั้นพอดีอืมธนาสาธุ ข, ขอบคุณที่สติที่มาทันอะไรกันเราขอฟังคุณอ้อมบ้างครูอ้อมส่งมาให้ครูอ้อมข้างหลังคุณอ้อมมาเที่ยวนี้รู้สทิ้งทิ้งไปนานเนาะ <laughs> เลื่อเวทีเป็นนานรู้สึกเป็นไงบ้างอาการของการเจริญสติเท่านี้ค็จะกอบกู้กลับมามาหมดหรือยังก็ดีวันนี้ดีแล้วค่ะคือมาเมื่อตอนวันศุกร์ตอนบ่ายอะนะคะแล้วก็วันศุกร์นี้ก็ยังดีอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ตั้งแต่เข้าวันสา ก, ก็คือทำทุกวันตามตามที่ท่านแนะนำแต่พอเมื่อวานวันเสาร์ก็หนักหนักคือมันไม่ใช่ง่วงแบบแบบ แบบว่ามากๆแต่ว่ามันไม่ชัดมันมันไม่ชัดมันเลแบลอแวบไปแวดมาอย่างนั้นนะคะทั้งวันแล้วก็แก้อย่างที่ท่านแนะนําอย่างที่หลายๆท่านพูดนี่ก็ได้ทําหมดเพราะว่าก็เข้ามาหลายคอร์สเหมือนกันจนกระทั่งเมื่อเช้าเนี้่ค่ะก็ง่วงอีกประมาณสักเริ่มทําก็เริ่มง่วงอีกแล้ะก็เอาใหม่ละแสดงว่ามันยังมีอันที่เราแก้ไม่หมด ก็ตั้งสติใหม่ก็เลยเริ่มดูใหม่นะคะว่ามันมันมาก็เราก็คือเรารู้ตั้งแต่วันเสาร์แล้วคะ่ะว่าติดเ อ, อตัวเพลินตัวสบายแล้วก็เพลิดเพลินเผลอแล้วก็หลับเ ง, งี้ยค่ะไม่ถึงขนาดแบบนั่นมากแต่ว่าก็เป็นอย่างนั้นมาทั้งวันก็เลยดูใหม่คราวนี้พอดูใหม่นี่ก็คิดว่าอาการต่างๆที่มันไม่ชัดมันต้องมีเหตุก็เลยว่าเอ เปลี่ยนที่นั่งดีกว่าไม่นั่งเบาะแล้วจะได้มีอะไรชัดขึ้นมาบ้างเพราะว่าดูเวทนาเวทนามันก็มันก็สบายอ่ะมันไม่มันไม่ได้เจ็บเจ็บตรงไหนมากมายอย่างเงี้ยนะคะพอมันไม่เจ็บมากพอมาดูมือตอนแรกก็ชัดสักพักมือก็เริ่มหมุนตามความเคยชินอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันดูตรงไหนมันก็ไม่ค่อยชัดก็เปลี่ยนที่เพราะเปลี่ยนที่ก็เวทนาก็ชัดขึ้นคือเท้าเราสัมผัสกับ กระดานชัดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็ไล่ใหม่จัดลําดับใหม่ mm hmm. ก็ยังง่วงอยู่ mm hmm. จนกระทั่งสุดท้ายมันก็เริ่มแบบมันต้องมีอีกอะ่ะพระทุกอย่างเราก็ทําหมดแล้ว mm hmm. ก็เลยกลับไปดูอาการเมื mm ่ hmm. อเช้าท mm ่า hmm. นก็สอนใหม่อีกรอบแบบนะคะหลวงพ่อมหาท่านสอนใหม่แนะนำว่าเอาใหม่กลับไปดูอาการดีกว่ากลับไปดูสภาวะหนักเบาก็เลยไปดูที่ที่ตา mm hmm. เพราะว่าเราจะไปทันตอนที่มันเริ่มหลับ หลับตอนนั้นตอนนั้นนึกไม่ได้ถึงเดบไฟท์ที่เบเทีไล่มาทําทุกเช้าเลยมาทุกเช้าไม่ได้มไม่ได้มาค่ะเออไม่ได้มานะ่ะค่ะคือมาก็คือตอนที่ท่าที่สองที่สามคือมีมีปัญหาเรื่องน้ําในหูด้วยก็เลยไม่กล้าหมุนออค่ะแล้วก็พอมาดูที่ตาครนนี้ดูหนักเบาที่ตาแล้วก็เราก็ทําไปพอหนักเราก็เริ่มเหมือนกับมันเริ่มย่อลง ตาเริ่มเยอะก็เห็นอาการเหล่านี้ก็เปิดอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งอะค่ะประมาณเมื่อเช้านี้ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็อาการง่วงก็ก็เริ่มสติก็ได้กําลังมากขึ้นแล้วก็ทํามาจนจนเนี้ยค่ะจนถึงตอนนี้แต่ว่านกว่ามันจะหมดกําลังเข้ามันนะเนาะถ้ายังไม่หมดกําลังนี่มันก็แก่อยงมันก็ไม่ไม่ไมสเสด็จ น, น้นะํามันนะกลับมาก็รู้แต่ว่าวันต่อไปเราคงจะเป็นไฟ ลุกมากกว่าฝ่ายรับฝ่ายรับในเข้ามาแล้วแก้ยากทีนี้มีวิธีลุกอย่างไรแกเรื่องง่วงเนี่ยต้องหาวิธีนะแทนที่จะบอกแล้วว่าก่อนที่เขาจะมาเขาต้องส่งสัญญาณมาก่อนแต่เราเห็นสัญญาณเล็กๆเข้ามาเนี่เราจะลุกเลยทันทีไหมอันนั้นสําคัญถ้าเราไม่ถือโอกาสลุกทันทีเดี๋ยวเข้ามาเต็มตัวเลยทีนี้แล้วนัวเนียนวเนียก็เป็นชั่วโมงเลยล่ะเพราะฉะนั้นในวันต่อไปเอาใหม ถ้าสัญญาณอ่านไม่ออกต้องต้องพย า, ยามนะบอกอ๋ออะไรนะเออเป็นไงบางเห็ น, นทางใจอยู่ราบนิมัสการีา่อาจารย์ก็กเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะก็มาใหม่นะคะแล้วก็เป็นวันที่สี่เหมือนกันครอาจารย์วันแรกๆที่เริ่มมาก็ถ้าอาจารย์ได้แนะนำเนี่ยก็ลองทาดูมันฟุ้งซ่านเยอะอาจารย์นะ พอหลังๆมานี่ความฟุ้งน้อยแล้วนะแต่ความง่วงมาแทนนะอย่างนี้ความง่วงเนี่ยออสองสามวันแรกจะเป็นเยอะค่ะอาจารย์เพราะว่าเรายังไม่เคยเราทำแล้วมันจะเพลินพอเพลินเพินไปปุ๊บมันก็จะง่วงพอง่วงง่วง่วงปุ๊บเราก็จะแต่แรกก็ไม่รู้วิธีอาจารย์นะ ก็มีมีมีหลับไปเลยบ้างก็มีอาจารแต่ไม่นานแต่พี่ก็าบอมันจะหลับสักสิบสิห้านาทีครัอาจารย์มันก็เราพักแล้วเราก็ลุกขึ้นมาต่อนะนวิธีแกงหนูหนูก็จะถ้ามันเ่วงมากหนูก็จะเดินเลยลุกขึ้นเดินจากนั่งทํามือนะจะลุกขึ้นเดินนะแต่วันนี้ลองใช้วิธีใหม่อาจารย์ตีตัวเองเลยตังหะตกมือมาเนี้ยตังหะที่ตกอ่ะนะอาจารย์ เราตบให้มั น, ม, นมันโดนมือไ ม, ไม่ได้โดนท้องะฮะมันโดนมือมันตื่นเลยอาจารย์พอมันตบแล้วะออเรียกสติเรากลับมาว่าเออเราไม่ง่วงฮนะแล้วพอมันหลุดตรงตรงจังหวะ น, นั้นได้นะอาจารย์ทีนี้มันไม่ง่วงเลยลว่าตอนประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงอะช่วงนั้นอาจารย์กินนิ่มอิ่มด้วยแล้วก็วันนี้อาจารย์บอกอย่าพักออไม่พักเลยลูงดูซิโอ้โหมันง่วงจริงๆริงังง่วงมากง่วงจนเราต้องตีตัวเองอะ่ะ ต, ตีขึ้นมาปุ๊บมันมีได้สามจังหวะใช่ไหจังหวัดตกลงก็จังหวัดตกล ง, ง, ลงเออมันได้ทั้งสามจังหวัดเนี้เราก็ตีตัวเองให้ตื่นพอตีแล้วปุ๊บอา่ามันก็เรียกสติมาแล้วก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็เลยเออดีงกันให้วิธีนี้พอเราหลุดแล้วเราไม่ง่วงปุ๊บเนาก็ได้สักประามาณบ่ายสองจนถึงบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายสี่เลยเทใจเรื่อยขึ้นตอนมันไม่นานจานเพราะว่า ปกติมันจะสัมผัสอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าเราลงมาปกติเราเรามือมันจะลงมาสัมผัสมืออยู่แล้วมันก็จะมีความรู้สึกอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ในความงี้ยวไม่ถึงห้า น, นาทีพอแก้วปีก็หายเลยใช่ไหมถ้าใช่อาจารย์กลองลองตีตัวเองเลยนะบอกว่าอย่าไปตามใจกิลเลสมันเพราะว่าเพราะเรานึกถึงนะเอ้อเรามาทําอะไรนะอ่ะเราจากบ้านจะมาเรามาทําอะไรอนะ่ะเราจะมาฝึกสตินี้อเอ้เราทําไมเราไม่ฝึกอ่ะเราจะนั่งหลับอยู่ได้ก็เลยต้องตีตัวเองให้มันตื่นนะอาจารย์เรตีแล้วมันตื่นมันก็มันก็มีความรู้สึก บางทีเขาสึกกัดมาดูใหม่นั้นมาดูใหม่มหมก็เดี๋ยวดูหนักดูเบาดูงมือดูอะไรพวกนี้อาจาย์ก็อาจารย์ให้ไหนให้ดูหนูก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าที่ดา ม, านมาันทําท่ามักอดคอเราแล้วแวห้อาแต่มันมันก็หนีเลยกจึงเลยนะ <laughs> <laughs> แต่ที่นียได้เพ่าะคนที่ไม่รู้จักมันก็โวเนียต่อไปเป็นชั่วโมงเห ม, มือนคุณตะคุอ้อมเหมือนกันว่าตัวมันจะออกไปกอดคอเราเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นวิธีการหลายๆวิธีการแล้วแต่เราจะนึก ก็ต้องต้งแก้ทันทีเหมือนกันถ้าหากว่าในความง่วงเนี่ยจะใช้วิธีที่เบาแก้เบาๆไม่ได้ต้อง<ม>ใช้วิธีแก้แรงๆหน่อยค่ะแล้วมันจะออกไปไวเพอตัวตัวตัวแรงเนี่ยมันกระตุ้นความตื่นตัวได้เร็วก็วสว่างขึ้นนะนะคุณดวงพรคราวที่แล้วกลับมาจากไอสวนพันดาวยังไม่ได้เคยไปเข้าที่ไหนเลยใช่ไหมไม่มใช่หลังจากกลับจากนั้นแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยยังค่ะ แล้วมาอยู่ที่บ้านได้ทาต่อหรือว่าหรือว่าหลุดไปเลยปกติจะตามความรู้สึกตัวทุกการเคลื่อนไหวก็เลยถ้าเดินจงกรมก็เดินเดินบ้างเจ้าค่ะก็นั่งยกมืออะไ ร, ไรจ ะ, ะรักษาลุ้มได้ตลอดไหมหรือว่าอืมได้อยู่เจ้าค่ะทาทุกวันตามรู้สึกตัวเนี่ยเป็นประจำคือจะทำอะไรจะใช้กิจกรรมที่ เดินหลายๆรอบเอาคือทำทุกอย่างให้มันเป็นเป็นการปฏิบัติหมดเลยค่ะอารมณ์ก็ไม่ต่างจากที่เข้าคอเท่าไหร่ไม่<อ>ไม่ต่างเท่าไหร่ค่ะแม้เพราะว่าอารมณ์ตัวนี้ตั้งแต่จับหลักตัวนี้มาในใช้เวลานานเลยอย่างหรือพึ่งมาเป็นไม่นานเองที่สามารถที่เอาตัวรู้สึกตัวเนี่ยเข้าไปสู่การแต่กิจกรรมในประจำวันได้อย่างอย่างต่อเนื่องเลยโยมทาได้ตั้งแต่ พบหลวงพ่อสักสามเดือนตั้งแต่ที่เข้าคอร์สอาสมมาตาด้วยกัน oh, ตอนนั้นก็จับปัจจุบันทำได้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะอยู่ของมันเองถ้าเรารู้สึกตัวว่ามันจะอ่อนลงหมายถึงความเพียรเราจะอ่อนลงบ้างเนี่ยค่ะโยมก็จะมาเข้าคอร์สเลย hmm. แล้วก็ มันก็จะเชื่อมต่อกันไปได้เรื่อยๆเพราะในช่วงที่เราจับความรู้สึกในอดีตบทในการงานเนี่ยพอนานเข้านัา้นเข้ามันก็มีโอกาสห่อนได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะออยมเข้าใจว่ามันมันน่าจะเบาบางลงก็เริ่มพอดีพระอาจารย์อยู่ในเมืองไทยยมก็เลยว่างก็เข้ามาแต่างานมันเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะ ทำให้ตัวความรู้สึกตัวเท่จัดไม่ต่อเนื่องบางช่วง <c oughs> เราต้องไปทุ่มเทกับงานอาจจะยมว่างงานออว่างงานก็ออน่าจะทำได้มากที่บ้านนะค่ะอ๋ออันนี้ก็มีโอกาสได้ทำเยอะนะ <c oughs> การนมัสการหลวงพ่อแล้วก็พระภิก ษ, ษุถงทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกคนนะคะครั้งนี้มาเป็นรุ่งตะวันนะคะครั้งนี้มาเป็นครั้งที่สามแล้วเก็ <c oughs> บอารมณ์ก็ ไม่มีปัญหาเรื่องการง่วงค่ะหลวง พ, พอ่อคือถ้าตัวง่วงมาอย่างมาเมื่อวานเนี่ยมาแป<ส>๊บเดียวเรารู้ตัวเราเปลี่ยนทาก็จะหายไปแต่ว่าที่เจอปัญหาคือความคิดฟงซ่านนะคะอย่างเมื่อวาน<ส>เมื่อวานเข้าเก็บอารมณ์ตอนบ่ายก็มันจะดีได้สองชั่วโมงแรกค่ะพอหลังบ่ายสามมันก็เหมือนมันมันเบื่อมันมีอารมณ์เหมือนเบื่อค่ะแล้วก็เปลี่ยนท่าเท่าไหร่มันก็ ไม่ไม่หายอย่างไปทําที่เบติไลส์เนี่ยแป๊บหนึ่งช่วงที่ทําเนี่ยค่ะก็ดีพอกลับมานั่งเคลื่อนไหวต่อก็ก็ไม่เข้าที่อ่ะค่ะอย่างเมื่อวานวันนี้ก็ตอนเช้าก็ดีอะค่ะดีจนกระทั่งมาประมาณบ่ายสามเหมือนกันแล้วก็พอบ่ายสามก็เป็นเหมือนเดิมอะค่ะก็เหมือนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามแก้ต่ออะค่ะไม่ได้แก้เลยหรือปล่อยเลยก็ก็แก้ค่ะก็คือ พยายามเดินแล้วก็พยายามทําที่เป็นเทเลทไลทด้วยแล้วก็เดินกระแทกเท้าแรงๆค่ะมันก็รู้สึกตัวช่วงกระแทกเท้าเดินเหมือนเดินกระแทกปับงบงังงให้มันเหมือนเนี่ยมีความรู้สึกแรงเพราะรู้สึกว่าพอฟุ้งหนั ก, นกๆแล้วค่ะพอพอเราทําให้มันความรู้สึกตัวแรงเนี่ยมันเหมือนจะกลับเข้ามาแต่พอนั่งปฏิบัติต่อมันก็มันก็ยังไม่ได้ค่ะ เอานี้ก็แล้วกันคนไหนก็ตามพอไปถึงหมดช่วงนะอย่างคุณเสริมชัยว่าเมาื่อวานะพอหมดช่วงจะพยายามไงมันก็ไม่ขึ้นเรฉะนั้นแนะนําว่าใครเป็นก็ตามพอไปถึงห ม, มันหมดช่วงแล้วแก้ไงไม่ขึ้นนะต้องต้องมาที่นี่เลย วอทีนี่เราจะมีการเปลี่ยนกิจกรรมเรื่อยๆน้อยก็มามาเปลี่ยนบรรยากาศเพ <c oughs> ราบรรยากาศถ้าค่อยไปทําใหม่เม่ได้มีกําลังมากขึ้นค่ะเพราะว่าตอนที่เดินมาตอนจะมารับน้ําป่านะตอนห้าโมงค่ะมันจะรู้สึกว่าเออเรามีสติเพิ่มขึ้นแค่เห็นซุ้มไสอะค่ะมันก็จะรู้สึกดีขึ้นมาเลยค่ะเออ น, นั่นนี่ออกมาที่ซุ้มไสก็ได้ค <c oughs> <c oughs> ือมันมันขนึ่งเลออกนะออกมาที่ซุ้มไสผมเมื่อได้กำลังก็ว่ากันมาเปลี่ยนที่เลยก็ได้พื้นที่เผื่อว่าเมื่ได้กําลังกลับคืนมานะ ถ้าสู้ที่เดิมหมายความว่ามันสนามเขายิดไปเรียบร้อยแล้วเราก็เลยไม่มีกําลังเรียนสู้แล้วดังนั้นเป็นเวทีของเขาแล้วคุณจะเ อ, อกเวทีมหาเวทีใหม่ะโอเคคุณพอนจิไม่ได้มานานเท่านี้เป็นไงบ้างหลุดหมดเอมเหมือนกับลมหายใจเนี่ยค่ะที่ได้จากเอสเคทีค่ะมันก็อยู่บ้านก็ฝึกอยู่บ้างอย่างเงี้ยค่ะท่าที่เป็นเดินอะไรยเงี้ยก็ทําให้เห็นลมหายใจได้ชัดขึ้นละคะ แล้วมีความรู้สึกว่าความสบายหรือไม่สบายเนี่ยมันมากับลมหายใจที่เราจะรู้สึกได้อะแล้วก็ตัวรู้นี่มันจะเหมือนโ ป, โปเกมอนนะะแบบอาหารของมันที่ไม่ได้เล่นนะแต่ว่าฟังวิทยุอะ่ะเขาบอกว่ามันต้องไปกินตัวอะไรจะได้มีพลังมากขึ้นใช่ไหมคะอาหารของตัวรู้มันก็คือเหมือนกับความรู้สึกสบายไม่สบายแล้วก็ พอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบอารมณ์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็นีวรด้วยค่ะแล้วก็ยิง่งยิ่งถ้าแต้มเนี่ยถ้าเฉยๆเนี่ะกต้มมันจะเยอะกว่าแต่ทีนี้ไอ้ตัวอารมณ์กรรมฐานที่เป็นเอพื้นฐานที่เรียกเป็นปรมัติตยเนี่ยที่มันเริ่มพัฒนาจากรูปลุบนามนะขึ้นไปปรมาทิตยเห็นความเชื่อมต่อยสองสองตัวนี้ชัดไหมระหว่างรูปนามไปสู่ปรมาทิตย์ระหว่างมขาขำติดกับมขาขำสุขเนี่ย แกะเปลือกออกจากเนื้อเนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันก็มะขามสุกมันก็จะแกะได้ง่ายกว่าฮะเพราะเห็นไร่มะขามดีจริงแกะยากเพราะมันดีน้ํามันเปลือกมันยังไม่แห้งอะค่ะเ ช, ชื่อไหมเชื่อเนื้อมันยังติดเนื้ออยู่ฮะอืมฉันได้ก็ดีในขอบเขตของรูปนํามเหมือนเปลือกมะขามในขอบเขตของปลาร้าดเหมือนเนื้อมะขามเพราะฉะนั้นระหว่างเนื้อกับ เปลือกมันจะขาดกันนะแต่เมื่อมันแก่แล้วใช่ไหมถ้าเรายังไม่แก่มันก็ยังไม่แยกกันในช่วงที่มันหนุ่มเหมือนเนื้อเดียวกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอารมณ์รูปนางกับอารมประัติในช่วงที่มันยังเบื้องต้นเนี่ยมันเหมือนเนื้อเดียวกันแต่พอเวลามันนานเข้านานเข้านานเข้าอารมณ์เริ่มเข้มแข็งขึ้นเปลือกก็จะแยกจากเนื้อเนื้อมาขามก็จะหดเข้าไป แล้วเปลือกมะขาก็จะแยกออกมาโดยโดยธรรมชาติของมันอารมณ์รูปนามกับประมรทหรือใครอย่างนั้นพ่เ็เลยถามว่าเห็นรอยแยกตรงนี้ไหมถ้ายังไม่เห็นก็แสดงว่ามันอยู่ในขั้อารมณ์รูปนามอารมณ์เริ่มเห็นความแห้งแล้วค่ะเพราะว่าวันนั้นที่โย ม, มเป็นนั่งที่ต้นไทรค่ะแล้วอยู่ีเฉยก็มีเปลือของกระถิ่นนะคะแล้วโยมก็หยิบขึ้นมาดูก็ก็เข้าใจค่ะแต่มันเป็นภาษาเหมือนกับ ภาษาปรามัดนะคะออืว่าเดี๋ยวมันก็แตกของมันเองค่ะอืแตกของมันเองใช่ะทีนี้มันแตกก่อนเราแล้วเราแตกก่อนมันนีงก็เราเนาะเองมันน่าจะแตกเองค่ะถ้ามันถ้าเราแตกก่อนมันก็เรียบร้อยไม่เจอว่าอย่างนี้วันนี้โยมได้เจอกุญแจบ้างแล้วค่ะคือว่าความวุ่วุ่เดียวนี้มันมาเร็วแบบเหมือนกับ ไม่ไม่นานแต่มันจะปิ๊ดปีดมาค่ะเหมือนกับปัญหาที่โยมขับรถแล้วไปชนฟุตบาดอะไรเงี้ยคือมันมาจากพวกเนี้ยค่ะมันเผลอมันมันแอบขึ้นมาเพราะว่ามันแหลมคมมากขึ้นนะคะโดยโยมก็ต้องทําให้ทันอย่างอย่างวันเนี้ยโยมก็พยายามแก้ปัญหาว่าถ้าเราเป็นอิรียาบถอย่างเดิมมันไม่ทันมันนะคะเพราะว่ามันชอบรักรักมาตอนที่เราขับรถตอนที่เราไม่สามารถเปลี่ยนอิรียบถได้อันนี้พอมันง่วงแบบ รั บ, บมาโ ย, ยมก็เราไม่เปลี่ยนอิเลียบทแต่ว่าใช้อาวุธคือลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะโยมก็เห็นแล้วว่าช่วงที่เราหายใจออกเนี่ยเป็นช่วงที่เราสบายแล้วมันจะมีหัวต่อค่ะระหว่างที่จะสบายมาเฉยๆที่จะหนักอีกรอบอย่างไงค่ะอันนี้คือมันจะเกิดความรู้สึกง่วงขึ้นตาเ น, นี้ยค่ะโยมก็ได้พบพบว่าเราจะสู้กับมันตรงเนี้ยค่ะ ทุเรียนลงง่วงที่มันจะยืดเยื้อหรือจะสั้นจะยาวเนี่ยส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่เรื่องสุขภาพเราด้วยนะถ้าสุขภาพเข้มแข็งมันกินช่วงเวลาสั้นๆแต่สุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยความง่วงจะกินเวลายาวดูตรงนั้นด้วยถ้าหากว่าเรื่องเรื่องสุขภาพความเข้มแข็งมีส่วนในการที่แก้ไขความง่วงได้ช้าได้เร็วนี่นะ แต่ถ้าหากว่าสุขภาพดีนี่วรนแต่ละตัวมาสั้นมากอืมเพราะว่ากระตุน้นกระตุน้นความรู้สึกตัวไหยมันก็ชัดละ น, นี้ต้องไปขยันออกกําลังกายด้วยนะกโยมก็ออกกําลังกายทุกวันแล้วก็ตอนแรกโยมคิกว่าเป็นเพราะโ ย, ยมนอนไม่ค่อยพอยะอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกจะทาเฟสเะอะไรเนี้ยค่ะแล้วพอมาอยู่ที่นี่เราก็นอนพอแล้วะค่ะมันก็ยังเป็นอีกอย่างคือเราคิดว่าน่าจะเกิดจากบางทีมันอาจจะเป็นโมหะที่ ถูกต่ามาจากจิตใต้สำนึกหรือเปล่าอนี้จะเป็นไปได้เลยพูดใต้ใจสำนึกเลยถึงหมออียนนะอย่าไปใกล้ตรงนั้นเห็นี่ยนะสํานึกคันเป็นอะไรบางอย่างที่ยังไม่แจ้งในเรื่องจิตใต้สํานึกเนี่ยเราก็มีแต่พูดตามหมอกันนะนะเพราะนั้นก็ต้องเราวังระวังจุดนั้นด้วยเราขอท่านต่อไปคุณค่ะเอางั้นว่าไงคนใหม่ต้องประสงค์ตายงานโอเค เช่นก็วันวันนี้เลยได้ไหมคะก็วันน um, bon ี้หลวงพ่อให้ขึ้นมาเดินข้างบนมันก็ไม่ชอบเพราะว่าชอบบรรยากาศเปิดมากกว่าในนี้มันอบแล้วมันก็ร้อนเบธนามันแรง ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ใช่ก็ เ, เห็นว่าคุณเพลินตรงนั้นหลงพ่อไปขึ้นบอกให้มาตรงนี้เพื่อจะได้ไม่เพลินเพื่อจะได้มาดูความรู้สึกชัดชัดตรงตรงนั้นแต่ตรงนั้นตรงเมื่อตรงนั้นคือเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่ามันเห็นชัดมากกว่าค่ะเวลาเวลาสติมันชัดเนี่ยมันเหมือนคนเปิดไฟอะค่ะ <c oughs> มันจะเห็นทุกอย่างสว่าง แต่มันจะได้แค่ช่วงเดียวซึ่งยังหาไม่เจอว่าทํำยังไงมันถึงจะสว่างอย่างนั้นอคือเดี๋ยวก็มืดเดียดเด๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเวลามันสว่างเนี่ยมันเหมือนว่าเราเราเห็นเห็นกายมันทํำม า, ามคือเหมือนกับยืนดูมันทํำมาคื็เลยเราคิดถึงชีวิตจริงเนี่ยถ้าหากว่าเรา อสว่างตลอดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติได้ใช่ไม<ช>ถ้ามื <ฮะ S 1> ดตลอดก็ไม่ใช่แต่มันสลับกันเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเลยนะ<ช>เพราะฉะนั้นเราก็จะดูธรรมชาติสองอย่างเนี่ยด้วยใจเป็นกลาง แต่ถ้าหากว่าเราจะอาศัยบรรยากาศที่สบายแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะผิดธรรมชาตินะพอไปเจอบรรยากาศที่มันไม่อึดแบบนั้นเราก็จะอยู่ไม่ได้มันจะทําใหไ้ไม่ไม่เป็นปกตินะมันจะไม่ปกติเลยใช่พอะมันไปติสว่างแล้วทีนี้เออเพราะนั้นก็ต้องต้องเปลีป่ยนแปลง น, น, นะแล้วมีอันนึงที่จะถามหลวงพ่อคือมันจะมีวันนี้มีเริ่มมีง่วงอ่ะค่ะทีนี้ก็พอง่วงปุ๊บ มันเปลี่ยนอียบทหลายรอบไม่หายออืก็เลยใช้วิธีเดินเร็วอก็เดินตอบไปตอบมาตอบไปตอบมาแต่แว บ, บหนึ่งมันก็มันก็มันมีอะไรบอกว่ากําลังไม่พอใจอแล้วมันก็หยุดเลยทีนี้มันก็เลยหานทั้งง่วงหานทั้งไม่พอใจแล้วก็มาเดินต่อออมันก็ก็เลยไม่รู้ว่าเออ มันมันถูกหรือเปล่าที่เดินเร็วถ้ามันหายได้ก็นั้นมก็ถูกแล้วจะเดินเร็วเดินช้าก็ตามแต่ขอให้ตัวตัวไอไอไอกุศลแบบนั้นนะนะมันหายได้จะโดวยวิธีใดก็ได้นั้นเป้าหมายอยู่ตรงว่าอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปแล้วทําทให้กุศลธรรมเกิดขึ้นนั่นเป็นทางที่ถูกแล้วแต่ทีนี้ว่าเราจะต้องฝึกแก้บ่อยๆจนกระทั่งว่าากุศลธรรมเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้นาน อากุศลธรรมตั้งอยู่ไม่ได้นานแต่กุศลธรรมตั้งอยู่ได้นานตรงนั้นก็เป็นความเติบโตของความรู้สึกตัวได้ง่ายขึ้นความรู้สึกตัวที่เติบโตไม่ใช่บางทีไม่ใช่บรรยากาศที่สบายแต่บรรยากาศที่ไม่สบายมันก็เติบโตได้ต้นไม้เนี่ยมันไม่ใช่มันเติบโตตอนหน้าหน้าฝนเท่านั้นนะหน้าแล้งก็บางทีจะแข็งแกร่งกว่าต้องคิดถึงว่าป่าไม้ต้นไม้ถ้ามันมีแต่ฤดูฝนอย่างเดียวไม่มีฤดูแล้งเลยเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหม มันไม่ได้มันมันตายได้มันแช่น้ําตายเลยนะมันก็มีรุ่นรุ่นแรงทําให้ต้นไม้เข้มแข็งขึ้นจิตของเราเหมือนกันถ้าหากว่าบรรยากาศที่ดีเหมือนรุ่นรฝนบรรยากาศที่ไม่ดีเหมือนรดูนรุแรงมันทําให้จิตเราเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามให้จิตของเรารับรู้ทั้งสองส่วนเวลาไปเจอบรรยากาศที่ไม่ดีเราก็ต้องดูความรู้สึกว่าเออเจอบรรยากาศอย่างเงี้ยความรู้สึกเป็นอย่างไรเราก็มีโอกาสได้ดูจิตอีกมิติที่มัน ไม่จิตเราไม่ต้องการมาก่อนนะะแต่เมื่อเรื่มเจออันนี้คือการปฏิบัติที่ต้องฝึกกิตให้ยอมรับความจริงทั้งสองด้านทั้งมืดและทั้งสว่างซึ่งเมืองความป็นจริงของธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมถ้าเวลามืดเราก็ได้พักผ่อนแต่เวลาสว่างเราก็ได้ทํางา น, นนั่เองแต่ถ้าหากว่ารู้สึกสบายเราก็ได้ทํางานรู้สึกไม่สบายเราก็ได้พักผ่อน มันก็จะทาให้เรามี ก, การพัฒนาการตรงนั้นโอเคนะอยาให้หลวงภ่อชีนะว่าทําไมเราเห็นความง่วงแล้วพอไปเดินเร็วมันไปเห็นความไม่ชอบใจต้องไปหาจิกซอกตรงไห น, นอะค่ะอ๋อก็ตรงที่ว่าลดลดความง่วงมันเปลี่ยนมาเป็นความไม่ชอบใจด้วยอาศัยขานที่แก้ได้เร็วขึ้นแต่แก้ที่ว่าเดินเดียวนี่นะมันคือความไม่พอใจตรงนี้มันออบรรยากาศตรงนั้นเราไม่รู้กันว่ามันเกิด อ, อะไรขึ้น แต่ว่ามันเป็นบรรยากาศที่ความความรู้สึกของคุณในขนาดนั้นนะบางทีอาจจะมีตัวอื่นอยู่ด้วยแต่เราเนึ่อ ง, งไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราไปต่อไม่ได้จิกชอ่อชนั้นหลวพ่อก็ไม่เห็นเหมือนกันว่าต่อกันตรงไหนดีเพราะภาพมันไม่สมบูรณ์เนะโอเคมุทนาได้นะอาตอมามรสรารหลวงพ่อคณะสงฆ์แล้วก็ญาติธรรมทั้งหลายนะคะชื่อสุภาวดีมาปฏิบัติเข้าคอครั้งที่สาม เออก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจากทุกคอร์สที่เข้ากับหลวงพอ่อคอร์สนี้ก็มีง่วงบ้างแต่ก็แก้ได้แบบแป๊บเดียวก็แก้ได้ก็ด้วยอาศัยที่เบเทีอนไลท์บ้างเอสเคทีบ้างลุกเดินอะไรอย่างเงี้ยก็ตามกรอบที่หลวงพ่อให้ก็ตามดูก็เข้าใจถึงหนักบ้างเรื่องหนักเบาแล้วก็ บางทีก็จะมองเห็นเวทนาได้ชัดว่าเวลามันหนักเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนกระทั่งบางครั้งง่วงก็วันนี้ตอนบ่ายออกมานั่งระเบียงเลยห้าชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงจนถึงห้าโมงเย็นก็กลับเข้าห้องไปแค่แค่กินน้ำเข้าห้องน้ําอาศัยระเบียงทั้งง่วงก็ เขาบิดหัวไหล่กันละเปียงแล้วตกเท้าขึ้นไปพาดก <laughs> ็ออกกำลังกายยืดเส้นมันก็หายง่วงแต่ความคิดเนี่ยจะเข้ามาเยอะเจ้าค่ะก็เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดก็ตามรู้ตามดูไปไอ้อยังพ่อยังไม่ได้ยินใครรายงานงเรื่องว่าใช้ทิเบตที่ไหล ตามรลมหายใจให้ยาวที่สุดแล้วก็ออกให้ยาวที่สุดตอนที่เราเดินจงกรมเนี่ยที่เราซ้อมวันนี้สองสาครั้งเนี่ยแต่ยังไม่เห็นใลาหลายท่านยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเอาไปใช้หรือเปล่าไ ม, ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าโมแต่สับสนว่าถ้าหายใจเข้าหายใจออกเราก็ต้องมารู้เท้าอีกเนี่ยมันเหมือนมันนับไม่ได้เจ้าค่ะมันแยกประสาทลําบาก <laughs> คือถ้าให้นับ ก็ต้องไม่รู้เท้าอะไรอย่างเนี้เจ้าค่ะนับนับอะไรอ่ะก็นับหายใจเข้าแล้วนับหายใจออกแล้วก็นับครั้งแล้วก็ต้องมาดูเท้าอีกเไม่ได้ให้นับนะเวลาหายใจเนี่ยเดินไปเรื่ลยหายใจเข้าไปเรื่อยพอมีสติไปที่เท้ามันจะลืมไปแล้วเมื่อกี้มันนับไปเท่าไหร่แล้วอ๋อไม่ต้องนับไงหายใจเข้าเฉยๆอ่ะก็หลวงพ่อให้นับว่าหายใจเข้าออกเนี่ยกี่ครั้งเพราะฉะนั้นมันนับดูพื้ที่เท้าแล้วไปนับแป้งอีกอ่ะ มันนับไม่ทันเจอค่ะแสดงว่าให้การบ้านผิดแล้วไม่คุณหลวงพ่อให้นับว่าหายใจเข้าออกกี่รอบเพ อ, อพอไปจำรอบเนี่ยเดี๋ยวมาดูเท้ามันจะลืมคนเดียวเลยมันลืมไปแล้วเจ้าค่ะว่ามันนับไปแล้วเท่าไหร่แล้วคนก็เยอะ เดินก็ไม่ต้องนิดเดียวอ่ะโอ้โหไม่ทันจ้ะ <c oughs> ไม่ทันเลยทีนี้ต้องทาใหม่นะเดินแล้วก็หายใจเข้าเฉยๆไม่ต้องนับอะไรเลยแล้วก็เวลาแล้วสติไม่ต้องดูเท้าเหรอคะ <c oughs> ก็ดูทั้งหมดนั่นแหละรู <c oughs> หายใจก็รู้ด้วยดูเท้าก็รู้ด้วยรู้อย่างละครึ่งอ่ะนะ <c oughs> <c oughs> <t> ถ้าไปรู้ที่เดียวมันก็ไปรู้อีกที่หนึ่งรู้อย่างละครึ่งอ่ะนะค่ะแต่ถ้าไปรู้เท้าอย่างเดียวก็หน่าเกินไปเพราะฉะนั้นเดินแล้วหายใจเข้าไปเรื่อยๆจนสุระหายใจออก ต่อไปเลยลองใช้วิธีนี้ดูว่าถ้าว่าง่วงมานะเขาอยากจะทราบผลเหมือนกันว่าเออถ้าง่วงมาเนี่ยอ้องว่า ไ, ไงลองทำนเป็นไงแก้ได้ั้ยมันก็จะโล่งใช่แต่ทำไมเธอก ง, งไปชั่วโมงแล้วันนี้ไปแก้หรือเปล่า <laughs> อ๋อัอ น, น แต่ว่าหลวงพ่อว่าถ้ามีสองอย่างมันหมายถึงรัศมีของความรู้สึกตัวมันกว้างขึ้นสามารถสื่อกันได้ทั้งทั้งส่วนที่ละเอียดละเยายบนะะแต่ถ้าหากว่าเราไปจ้องอยู่ที่เดียวเนี่ยบางทีมันการรับรู้ในส่วนอื่นไม่ชัดเรียกว่าสัมพชัช ญ, ญาแล้ไม่เข้มแข็งจริงอยู่ไปรู้จุดเดียวเนี่ยชัดแต่ว่าเป็นเพียงสตินะ น, นะแต่สัมพชัชญะต้องรู้ในส่วนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้คํานึงว่าแก้ด้วยสัมพชัช ญ, ญาด้วยนะให้รู้ทั้งสองส่วน แด้ว่าดีลืมนะพรุนี้เราเอาไปแก้ดูว่าใครง่วงลองกั้นหรหายใจดูดูว่ามันจะง่วงต่อไปไหมเดี๋จวลองคืนนี้เดยก็ได้นะยมตาเป็นไงว่างรู้สิ่งเที่ยวนี้ถึกว่าตั้งใจดีกราบนรัตการพระอาจารย์พระสงฆ์แล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านคะ่ะสำหรับที่มาคราวนี้นะคะ วันแรกก็จะมีเอวันวันแรกก็จะมีอาการง่วงบ้างนะคะแต่ก็สามารถแก้แก้ไขได้ก็ไม่ถึงกับง่วงจนแบบไม่ไหวก็ก็จะเป็นมันเหมือนกับเบลอเบลออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามแก้ก่อนนะคะพอเมื่อวานนี้เ อ, อช่วงเช้าช่วงเช้าก็จะมีเ อ, อง่วงแล้วก็จะมีความคิดมาบ้างนะคะแต่แต่ก็ บางครั้งความคิดมันก็ยาวเราก็รู้สึกตัวเราก็กลับมานะคะแต่ความง่วงเนี่ยก็ลองพอพอรู้เห็นอาการว่ามันจะเริ่มง่วงเนี่ยก็แก้ไขก่อนก็จะเปลี่ยนอิริยาบถนะคะก็คือก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยก็จะนั่งดูก่อน นะคะว่าเออตอนนี้ขาเราอยู่ยังไงนะคะก้นเป็นยังไงบ้างนั่งท่าไหนตรงไหนที่มันหนักมันเบาอยู่นะคะเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนก็คือค่อยๆเอาขาออกมาดูดูว่าเวลาเราเอคลื่อนขาออกมาเนี่ยความเบามันจะลดลงตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็พอมานั่งท่าใหม่เราก็จะดูว่าเออท่าที่เรานั่งตรงเนี้ย มันสบายขึ้นกว่าเดิมตรงไหนนะคะแล้วก็ก็จะเห็นความพอใจขึ้นมาบ้างนะคะบางทีก็เออท่านี้ดูมันสบายขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังมี เ, เวทนาอยู่บางที่อะไรอย่างเงี้ยนะอัน อ, อันนี้ก็คือ แก้ไขในเรื่องของความง่วงนะคะส่วนที่พระจัรย์บอกว่าให้เอาวิธีกั้นลมหายใจมาใช้ก็ลองดูวั น, นวันนี้ลองเดินแล้วก็ไม่ได้กั้นลมหายใจก็คือคือตามลมหายใจ ล, ลองลองลองดูนะคะก็เดินจากาข้างหน้าไปข้างหลังก็จะหายใจเข้า ตากว่าพอดีหนึ่งหนึ่งช่วงหายใจเข้าเดินกับก็หายใจออกแต่ตาบอกว่ามันเหนื่อยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรากัน้นเอ่อคื อ, ค, อคือสูตรหายใจลึกให้ถึงเส้นตรงตรงของห้อง่ะคะมันก็เลยทำให้เหนื่อยก็เลยไม่เอาแล้ววิธีนี้ไม่ง่วงเลยใช่ไหม <c oughs> เออไม่ง่วงค่ะ <c oughs> ก็ก <pec S 2> ็เลยก็เลยยกเลิกวิธีนี้ค <Authority> ่ะแาไม่เหนื่อยใช่ไหมเอาแต่ไม่หยุดลมหไม่หยุดหายใจซะก่อนนะ ก็ก็จะให้หายใจนานไงครับหลวงพ่อพอหายใจนานแล้วก็หยุดหายใจพักซะก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็ได้เดี๋ยวไม่ได้เดินกลับครับโอ้พรกูเราไใช่ผิดผิดรอบอีกแล้วจริงๆตันนี้เป็นนัยยะเป็นเคล็ดลับนะมาไม่บอกใครถ้าบอกเดี๋ยวเขาจะตามทันนคือหายใจยาวแบบไม่เหนื่อยมีวิธีอยู่นะ อันนี้เดี๋ไปหายเจอก็แล้วกันนะอันนี้ใชล็ดตวไปของมันหลวพอเปี่ยกมว่าไงบางวันนี้หลวงพ่อเปี่ยกกราบนมัสการหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปและผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะคารดิฉันชื่อเปลี่ยมสุขนะคะสองวันแรกนี่ก็รู้สึกว่าจะเดินรู้ตามที่เคลื่อนได้ได้ได้พอสมควร จะมีความคิดเนี่ยเข้ามาบ้างเป็นช่วงๆไม่ง่วง่วงนี่มีน้อยมากอะคะ่ะทั้งเดินแล้วก็ทั้งนั่งพอมาวันเมื่อวานหุวงพ่อบอกให้เก็บอารมณ์ช่วงบ่ายนะคะพอเข้าไปเก็บอารมณ์เนี่ยรู้สึกก็กังวลแก่กับแผลว่ารู้สึกแผลจะผมบวมเพราะว่าเดินสองวันแรกเช้านี่ก็เลยใช้นั่งซะส่วนใหญ่พอนั่งแล้วจะง่วงมากง่วงชนิดแบบ ทำทุกวิถีทางก็จะไม่หายง่วงทํไหลายอย่างล้างหน้าทําอะไรเสร็จสรุปว่าเมื่อวานตอนบ่ายเนี่ยไม่ผ่าน <c oughs> ทีนี้ก็พอเมื่อเช้าก็าต้องสู้กับมันเพราะว่าจําลุงพ่อเคยพูดได้ว่าเ <c oughs> มื่อครั้งที่แล้วอะลุงพ่อบอกอีวันที่มันให้ทําไปเรื่อยๆวันที่มันไม่ดีเนี่ย มันวันที่ดีเนี่ยมันก็มีผลทวงมาจากวันที่ไม่ดีวันก่อนวันนี้เราก็ตั้งท่าเลยว่าเราจะจะสู้แบับตรงนี้ให้ได้แล้วพอดีก่อนเข้าห้องคุณลีถามบอกพี่เตรียมสู้ไหมสูค้คือคือแต่เลืกในใจว่าวันนี้จะสู้ยิบตานะใจตั้งมั่นอย่างนั้นพอเช้าพี่แต่ก็จะเปลี่ยนวิธีละเปลี่ยนวิธีเดิมแล้วก็ ทำอยู่แบบเดิมๆวันนี้ตั้งใจว่าเราจะลองทำดูให้ช้าตามตามให้ทุกช็อตเลยการสร้างจังหวะเนี่ยตามไปเนี่ยรู้กัะทั้งว่าตอนนี้มือเราง้มลงตรงนี้นะแล้วตนเกงเนี่ยมันมีละเอียดนะแล้วพอเข้ามาตรง น, นี้มันผ่านกระดุมเท่าไหร่มือผ่านขึ้นมาโดนนิ้วโดนอะไรเงี้ย ได้ผลค่ะความคิดนี่จะเข้ามาน้อยมากไม่มีเลยค่ะถึงเที่ยงนี่ไม่มีเลยและทำไปยังไม่ครบสองรอบเลยคือก็จะนั่งพะเพียรนั่งรู้ข่าวอะไรไปตามเนี้ยยังไม่ครบสองรอบเห็นมีบางคนนี่เปิดประตูออกมาก็ไปดูนาฬิกาเอานี่อีกสิบนาทีสิบเอ็ดโมงคือรู้สึกทำช้านี่จะจะได้ผลเสร็จแล้วก็ตอนบ่าย ตอนบ่ายเราก็จาหลวงพ่อได้ว่าเวลาเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยให้เราละเลยนะหมายถึงว่าเราต้องหาวิธีเราอย่าไปทาอย่างเมื่อเช้าอีกเราละมันพอละมันทีนี้เราก็เริ่มเดินธรรมดาพอเดินธรรมดาเนี่ยมันจะตามรู้ตามเคลื่อนตามหนักเบาตามเคลื่อนหยุดอะไรเนี่ยได้ได้ดีพอได้ดีเสร็จแล้วก็ นาฬิกาเนี่เก็บเข้าตู้เลยนะคะก็คาดว่าประมาณชั่วโมงกว่าก็ลองมาเดินข้างนอกแต่ไม่ง่วงเลยนะคะมาเดินข้างนอกเนี่ยพอเดินพอเดินเก้าไปเนี่ยพอเส้นลงเนี่ยมันจะตึ้งขึ้นมาแล้รู้มันเป็นเส้นแล้วมันก็กระจายแถวแถวหน้าเป็นอยู่สองครั้งพอครั้งที่สามมันก็แต่ก็ไม่ไม่ไม่ตกใจนะคะที่รู้มันไป เพราะว่าขราวก่อนนี้ที่เคยแบบมันตกหลุม ม, มันตกใจก็กลับมาอยู่กับที่นี่เราไม่กลับแล้วแล้วก็ดูเข้างที่สามมันน้อยอแล้วหลังจากนั้นก็ก็เดินปกติก็เปิดแค่นั้นพอกลับเข้ามากลับเข้ามาก็มาเดินหน้าถอยหลังพอพอพอนั่งเก้าอี้เนะ่ใจมันเบามือเนะ่เบาหมดเลย เดิมมันก็จุกจุหนักหนักมันจะต้องเคลื่อนอย่างง้เนี่ยมันจะช้าเลยมันก็เบาเลยแล้วพอมาก็เดินได้ดีอ่ะพอมาตอนช่วงสักบ่ายบ่ายหน่อยเริ่มง่วงเริ่มง่วงนี่รีบเปลี่ยนเลยกลัวเหมือนเมื่อวานเข้าไปในห้องน้ําเออเราจะต้องหาวิธียังไงเมื่อวานเราทําทุกวิธีเหยียบเหยียบพื้นปูนอะ่ะมันเย็น ก็ cioè, เอาน้ำมาฉีดให้เท้ามันเย็นๆแล้วก็หาวิธีใหม่แล้วก็เอาน้ำมาอมวะน้ำก๊อกนี่มาอมแล้วก็บ้วนแล้วก็เอามือตบๆหน้านิดหน่อยน้ำล้างกลับมาก็ไม่ห่วงเลยก็จนถึงตอนเย็นนะคะความจริง<ๆ>วันไหนที่ได้อารมณ์รีนี่คุณปนปนคือไฮไลท์สำคัญก็คือใน การปฏิบัติเนี่ยวันไหนที่มันไม่ดีนะตั้งใจให้ดีใน ว, วันต่อไปแล้วมันจะได้อารมณ์ตลอดเพราะว่าเราจะเริ่มรู้วิธี <c oughs> ทั้งยมตะระยมเปี่ยมนะ <c oughs> ลักษณะการทาวิจัยธรรมวิจัยเนี่ยชัดเจนนะคือดูรายละเอียดต่างๆยมตะทพิงบอกว่าอาการปรับการเปลี่ยนการดูการผลการผาาร่อนคลายการตึงต่างดูให้ชัด ลักษณะย่เปลี่ยนใช่ไหมการยกอะไรมากระทบอะไรตรงไหนจำให้ชัดคือเวลามันได้อารมณ์เนี่ยทํายังไงมันก็ได้อารมณ์ดีไปหมดทําอะไรมันก็ชัดไปหมดแต่วันไหนถ้ามันไม่ได้อารมณ์จะทำเหมือนเดิมมันไม่ได้เรื่องหมดเลยนะอันนี้อันนี้สําคัญได้สังเกตเอาไว้เพราะฉะนั้นภาวะได้อารมณ์ไม่ได้อารมณ์เนี่ยมันเป็นปกติของมันเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้อารมณ์ แล้วจะไปดีใจว่าเอวันนี้ไม่ได้อารมณ์เพราะมันจะสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยเพราะต้องการให้จิตเนี่ยต้องการให้มันเรียนรู้ความจริงว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้นะคุณจะไปยึดทั้งสองอย่างเลยไม่ได้จนกระทั่งว่าจิตของเราเจอทั้งดีและไม่ดีมันเฉยได้วันนี้ไม่ได้อารมณ์ก็เฉยเฉยวันนี้ได้อารมณ์ก็เฉยเฉยตรงนั้นเราจะทำได้ดีฝ่า ตรงที่เราไม่ไม่ต้องการว่าได้อารมณหรือไม่ได้อารมแต่เรากลับทาได้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องการแต่ต้องการที่จะให้เห็นถึงความจริงอะไรบางอย่างซึ่งตัวนี้มันไปอีกขั้นหนึ่งนะเพราะนั้นทั้งเปลี่ยมและยมตาอย่าไปคิดว่ามันจะได้อารมหรือไม่ได้อาุมแต่มันจะต้องไปอีกขั้นหนึ่งคือดูเมื่อก่อนเราต้องการ ทำรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ได้อารมณ์แต่ต่อไปเราจะทําอีกแบบหนึ่งที่ไม่ต้องการได้อารมณ์แต่ต้องการรู้ความจริงมันคืออะไรมาถึงขั้นเนี้ยการปฏิบัติใหญ่สาคัญทีเดียวแต่ดับใดที่เรายังว่าปฏิบัติวันนี้ต้องได้อารมณ์วันนี้ไม่ได้อารมณ์ถ้าสลับว่าได้อารมณ์ไม่ได้อารมณ์อย่างนี้มันก็ยังจะข้ามมันยังไม่ได้มันก็ยังมีโอกาสที่จะจะจ ะ, จะหลุดอยู่แต่ถ้าข้ามตรงนี้ได้ ได้อารมณ์หรือไม่ได้อารมณ์ฉันก็จะดูความจริงของของมันที่เกิดขึ้นในในทุกๆเรื่องอันนี้อีกขั้นตอหนึ่งนะเพราะนั้นทั้งสองท่านเนี่ยให้ไปดูัวนั้นด้วยนะดัะนั้นวันนี้ก็ได้ทราบรายละเอียดต่างๆในดรื่งวิธีการแก้อารมณ์ง่วงต่างๆเพื่อที่ให้เราจะได้เก็บอารมณ์ต่อวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้กับในพรุ่งนี้กลุ่ม อุ้มเก่าทั้งหมดอะเข้าเข้ า, ขาเป็นวันเลยนะต่อทั้งวันแต่ก็ยังเหมือนเดิมคนไหนเข้าไปแล้วมันหมดช่วงอย่างที่คุณอะไรว่าเมื่อกี้คุณรุงตะวันเนะาะก็ยยมเสริมใช้ที่ว่ามาถ้ามันหมดช่วงแล้วถ้าพยายามต่อยไงมันก็ไม่ไม่ติดนะต่อไม่ติดให้ออกมาก่อนสักพักหนึ่ง หรือไปทำอะไรสักพักเนี่ยไปเดินที่อื่นไปสักพักหนึ่งแล้วกลับมาต่อใหม่ถ้ายังต่อไม่ดีอกให้มาที่นี่เลยแล้มาคุยกับหลวงพอ่อแล้วมาแก้อารมณ์กันนะเพราะฉะนั้นให้ให้หาทางออกอย่าให้มันปล่อยไปโดยที่ไม่มีการไม่มีการแก้นะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ทางฝ่ายกลุ่มเก่าจะเข้าเก็บอารมณ์เต็มวันทั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้ววันเมื่อวานนี้กลุ่มใหม่ลองเข้าดูบ้างแต่วันเมื่อวานนี้กลุ่มใหม่จะให้เก็บบนนี้ ทั้งวันไม่เอาข้างล่างแล้วพวกนี้นะเขาบอกเก็บตรงนี้เผื่อว่าข้างล่างเนี่ยมันเฟื่องง่ายแล้วคุณก็ไม่ชอบตรงนั้นนะ่ะจองที่ไว้ก่อนเลยถึงเวลาจองจองที่นั่งแถวหน้าไว้ก่อนเลยนะว่านี้เลยจะทําที่เพราะฉะนั้นผู้นี้กลุ่มเก่าเราจะเก็บอารมณ์ในที่ที่ปฏิบัติของเราได้ทั้งวันเพราะเราทซักซ้อมในการแก่อารมณ์มาละทั้งสองวัน คิดว่าต่อไปจะหาที่แก้เป็นแต่ให้จำเอาไว้ว่าเมื่อไปถึงช่วงใดที่บางคนไปถึงช่วงอารมณ์มันหมดอารมณ์เนี่ยมันทําอะไรต่อไปไม่ได้ให้เกาะมารวมกับกลุ่มใหม่ข้างนอกหรือหาวิธีแก้อย่างอื่นก่อนอาจจะเปลี่ยนที่ไปอย่างอื่นก่อนถ้ามันยังไม่หายก็คือกลับมารวมกันนะก็ขออนุญาตนาสาธุ